วางทำกันวางจะเรื่องเก่าเนี่ยแหละเรื่งปฏิบัติธรรมเหมือนเราจิ้นข้าวเราจิ น, จนทุกวันใครจิ้นข้าวอาหารทางร่างกายอาหารทางขีดใจอันเดียวกันคือธรรมะให้ได้จินได้ฟังเอาไว้ สิ่งที่ไม่เข้าใจก็ย่อมจะเข้าใจก็ฟังทำก็ย่อมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังมันเท่าความสงสัยียได้จิตของเราก็ย่อมโปร่งใสไปเรื่อยๆความเห็นก็ถูกต้องไปเรื่อยๆไปเรียกพระหุสูเป็นมงคลพวเราไม่อยู่เน่งเฉย ริวัฒนากันและกันตัวเราด้วยดังเราจะเฉินมงคลสามสิปดพหุจาติจา1ิปัญชีิเนโดชาชิกีโตสุภาสิตาเจ้าว่าจาเอตัมมังกรมุดตังทำสามอย่างนี้เป็นมงคลนอนจงจุด พระโหจัจนจะก็คือได้ยินได้ฟังมากสิปัญจะ อ, อมีศิละปะวิทยาในการใช้ชีวิตในการพูดการทำการชิดไม่ใช่ศิลที่เขาแสดงอะไร น, น, ไ น, นั่นก็ได้อั้นก็ได้เยอะแต่มันค่วางใหญ่ไพศาลมากกว่านั้นวินโยจัจสุติสิโต วินโยวิไนที่ศึกษาดีแล้ววิคือวิเศษนยยะคือนำไปนำไปสู่ความวิเศษของเราหลายอย่างมันวิเศษสุภาสิตาจาวาจาเอตมังตังวาจาที่เป็นสุภาจิตสุภาจิตคือเป็นเป็นสิ่งที่มีสาระมีประโยชน์ไม่ใช่ทุกพาจิต สุภาพจิตคือสัจธรรมจะแรงไปทางคำพูดของเราพัฒนาตัวเราพัฒนาคนอื่นไม่ทอดถอยการศึกษาก็ไม่ทอดถอยไม่เหยียเท่าจะแก่แล้วก็ไม่ทอดถอยโลกกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีขอบเตขตกานรศึกษาช่วยกันละกันแม่แต่เราจดมนนธรรมัด น, นี่ยเาบทนั่นบทนี้ไปเรื่อยๆ พาไปเรื่อยๆบทลงมันบทไหนที่มันเหมาะอามานำกันปัจฉิ ม, มวาทพิจารณาสังขารพิจารณาสังขาร อ, าอะไรยาวอย่างเนาะเยอะๆไปเลยนี่จะสูตรดีๆพระสูตรดีๆได้ศึกษา เรียกว่าจริงให้ไม่เคยได้ยินก็ด้ินการได้พูดได้แสดงออกได้ฟังได้พูดออกไปเนี่ยมันลึกกว่าการการที่ไปจาํามองพูดออกจากปากแล้วด้วยพัฒนาบทต่างๆที่เป็นพระไตรปิฎกออกมาจากพระไตรปิฎกเป็นคําพูดเป็นคำํำมองตน แต่ก่อนก็ไม่มีหนังสือหรอกสมัยข้าพวกเจ้าทรงพระจนอยู่ไม่เคยมีหนังสืออ่านสักเล่มเดียวเลยมีแต่บอกกันจำเอาบอกต่อๆกันไปผ้านอ น, นีนจำได้เก่งจนเรียกว่าเอตตคะในทางพระหูสูดจำได้จนว่าพุทธเจา้าปริณผ่านไปสามร0อยสี่รอยปี จึงมาจะเลือกเป็นตัว อ, อสอนขึ้นที่ประเทศศรีลังกาหลวงพ่อเคยไปดูวัดที่จะเลือกตัวออสอนกับชาจารประเทศกับใครต่อใครไปดูอย่างนี้ยังไม่อยู่เวลาไปเยี่ยมเขาเขาจะสาธิตการเขียนใบลานให้เราดูก็ยังทำอยู่ พอเขียนเป็นภาษ า, าสิงหนต่อมาก็มาขึ้นมาเป็นภาษาบาลีแปกันไปแปลกันมาเป็นภาษาบาลีประเทศไทยเราก็ได้เป็นภาษาบาลีก็มาแปลเป็นภาษาไทยเป็นเรียกว่าพษาไตยปีดกปีดกพาษไตยปีดกก็คือตากาใส่ 3ตะก้ามีพระสูตรมีอภิธรรมมีพระวินยัยเมือนกาตากะตกะ้าตะกะ้าใส่กระบุงใส่ของสามกระบุงพระสูตรตันต์ปิฎกไม่ตั้งจ็ดมื่นพันธรรมขันมากกว่าพระวินัยปิฎกมี2 1 0 0 0นึงพันธรรมขันพระอภิธรรมปิฎก มีสองหมื่นหนึ่งพันธมรมาขันรวมกันเป็นแปดหมื่นสี่พันทับมาขันผิดหรือเปล่าก็มไม่รู้นะจำมาจามาถ้าปีดก็อย่ามาเอาโทษนะเพราะว่าคำจำเนี่ยมันย่มหลงได้ปีดกทั้งแปดหมืนทั้งสามกว่าบงเนี่ยออกมาจากกายว่าจากใจ วิญโยสุชิกิโต้ระเบียบที่มันเกิดขึ้นจากการพูดการทำการคิดออกมาเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่สับสนพระพิธามเคอข้อปฏิบัติลงไปที่กายที่ใจที่มันเป็นร่วงพ้นความปัญหาต่างๆเรียกว่าพิธ ร, รมเพราะสูตรเรื่องเราต่างๆกายก็เป็นปสูตรใจก็เป็นปสูตรมันมีสูตรอยู่นี้ เยอะแยะไปเลยมันจะแยกออกเป็นกลุ่มเป็นโคน่นจย่างขันหน้าก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารมีวิญญาณด้วยนี่พระสูตรมันเป็นหมู่บุญกุศลก่างกุศลอกกุศลคือโลภะโทสะโมหะกุศลคืออโรมณ์ภะโทสะโมหะเนี่ยเป็นพระสูตรเป็นพระสูตรเต็มนหมู่ไม่เป็นหมู่ม หมู่หหมู่สหมู่สมหมู่สหมู 1, ่หก็เอเอกเปวันหน่งหมู่สก็ทุกกะคือ2อหมู่สก็ทิศติกกะคือ3มหมู 5, ่สจะยตุกะคือ4หมู่หปัญจกะคือ5อย่างเราราชนาศินะ่อมานิม่ยังวันเดตจานนะจ๊ะพัชะีลานีาาานะายะจามะพันะเปวห้ักกะคือ6สัตตกะคือ7อัตตกะคือ8นวก็คือ9้าทักะคือ10 นับไปนับไปจนถึ Until, งมากมายภาษาบาลีมันม e, ีหมวดเป็นหมวดเป็นหมวดเป็นหมวดเป็นหมวดเป็นหมวดเป็นหมู่ไปหรือว่าพระสูตคือชีวิตเหล่านี้เหมือนกันสูตรเนเหมือนกันขันธ์หน้าก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันจิตใจก็เหมือนกันมีโกรธมีโลภมีหลงมีไม่โกรธไม่โลภไม่หลงเหมือนกันมีเหมือนกัน ต่างกันตรงนี้ส่วนที่เหมือนกันมันก็มีถ้าไม่พัฒนาถ้าพัฒนาก็ต่างกันไปบางคนก็อาจจะเป็นภังก์ชันต่าเป็นเปรตสุรกายสันนโรกเดชานบางชีวิตก็เป็นมนุษย์ขึ้นมาใจสูงขึ้นมาพ้นจากเปตเป็นพ้นจากสันนโรกเดชานบางชีวิตก็เป็นเทวดาบางชีวิตก็เป็นผมบางชีวิตก็เป็น อาเลียบุคคลเป็นพระริเจ้าไปเลยพัฒนาไปพัฒนาไปมันจะต่างกันก็ตรงนี้พวกเราจึงไม่ทอดอยไม่ยอมอยู่ในภูมิเหมือนต่ำซึ่งมันไม่ปลอดภยัยแก่ตัวเราและคนอื่นวิธีที่เลื่อนฐานะอันนี้คือปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพุ่น พ้นของเก่าหรือว่าวิในนำไปสู่อันดีอันวิเศษเราไม่ต้องไปต้องไปจำปารชิก4สังา73อา น, นิยตสอนี่จะคีตีสาบายีครับ2องบาเตศยสสีเยายิตรวมเป็น220้อยยน้ำพังดีกรรันละนะสมมาด้วยเป็น227โอ้ยทั้ง2 2งี่ที่มาในพระปาติโม มาในอิติพุท ธ, ธะนับไม่ถ้วนมากมายแต่มาในปาติโมกสองรอยี่ิบเจ็ดแต่ละข้อละขก็อธิบายไปโอ้ยเรียนจำเอาอจำเา้ามาสอนกันยืนหน้ากระดานสอนกันนักเรียนก็จำเอาไปสอบอนน่าก็เป็นภาษาลูกแยว้วลูกคุณทองไป แต่ล้วเามื่อปฏิบัติทำนี่เนี่ยพระสูตรก็อยู่ตรงนี้พระพิธรรมก็อยู่ตรงนี้พระวินัยก็อยู่ตรงนี้เวลาใดเราไมาีสติมันก็มีแล้วพระวินยัยมีแล้วมีพระธรรมมีแล้วมีพระสูตรสติมาจากไหนมาจากทุกข์คือหมดหนึ่งถ้ามีเพิมละมากสองอย่างสติความเลือกได้หนึ่งสองสามัญใจความรู้ตัวเนี่ยมาจากพระสูตร อยู่ที่ไหนรู้สึกตัวที่ไหนและเลือกได้ยังไงและเลือกได้อย่างไ ร, ลลไงไรเวลานี้เราเมือวางบนเขา่ารู้สึกแล้วลึกรู้สึกตัวว่าเมื่อโยนเข่าจริงๆรตะแคงมือขึ้นก็รู้สึกตัวและเลึกได้ว่าตะแคงเมื่อแล้วอยู่ร่วยกันไม่ต้องไปท่องเป็นภาษานะ ขณะที่ยกมือรู้จังตัวรู้ตัวเนี่ยเป็นธรรมไหมเป็นวินัยไหมเป็นประสูตรไหมมีครบทั้งหมดเลย อ, อย่าไปคิดว่าตัวองบุคลม่ไม่เล่าไม่เรียนเรียนอยู่เวลาเรียนก็อ่านอ่านหนังสือแล้วอ่านสูตรของเราเราไปอ่านหนังสือเข้าใจเยอะแยะไปเลยสำหรับไปสอบนักธรรมผู้ที่ปฏิบัติมีอารมณ์กรรมฐานเนี่ย สอบนี่ไม่ต้องหัวเลยนะง่ต้องไปนั่งจนเปิดปากกาจับจี้ใจกระดาษจนปากกาแห้งไม่มีหรอกไหลออกมาไหลออกมาไหลนะยิ่งแต่งกระถูดนี่โอ้ยน้ามไหลไปดับเลยเขาบอกให้เขียนนักทรมช่นดีสามหน้ากระดาษพุทเจ็บขึ้นไปไม่ว่าต่สามหน้าสิบหน้าก็เขียนได้ เพราะเรามีปัญญาที่จะที่บายาข้ออัดข้อรมแสดงออกเหมือนกับเทศนาเขาบอกให้เราแต่งเป็นํำนองเทศนาโวหารด้วยเทศนาโวหารไม่ต้องไปท่องจำเป็นโวหารที่ออกมาจากปัจจุบันของเรา ว่าเ น, น่เราจึงสมบูรณ์ที่จุดการศึกษาปฏิบัติธรรมแนวไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องมีระบบห้องเราพัฒนาพัฒนาตัวเราพัฒนาการศึกษาพัฒนากายพัฒนาใจพัฒนาความเป็นอยู่ของเราให้มันเรียบร้อยการปฏิบัติธรรมนียอย่าเส่อมทาอย่าล่าสมัย นอกจากนั้นเราก็พัฒนาอะไรเยอะๆไปเลยเอาด้วยมือของเราโลกดีท้องฟ้าเป็นหลังคาแผ่นเดินเป็นพื้นภูเขาป่าไม้เป็นฝาอันเดียวกันพวกเรามาช่วยกันมาช่วยกันสร้างความร้อนให้มันเย็นลงสร้างพิษภัยให้มันหมดไปช่วยกันคนละไม้คนละมือพัฒนาด้วยมือหนิ้วสิบนิ้วของเรา ด้วยการใจออกของกายของวิจยัยใจของสามารถสร้างเมืองสวรรค์เมืองในฝานได้คนคนหนึ่งสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาจะเป็นวัตถุเจริญของเอาสร้างขึ้นมาอะสร้างขึ้นมาอะไรก็ที่มันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแต่มนุษย์มวมนุษย์ในโลกแน่กว่า200รประเทศ อย่าแบ่งอย่าแยกกันมองอะไรก็เหมือนคนคนเดียวกันดังการศึกษาของวายมหาญาณเขาพูดว่าฟังเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงพระสวดมนต์ดูคนทุกคนเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั้น น, นั่น ใครก็ตามเ พ, พื่อพระเจ้าตรงตัวเป๊ะเลยรู้ตื่นรู้ตื่นรู้รู้สึกตัวรู้สึกตัวใครเขารู้สึกตัวได้อย่าเอาศาสนาอย่าเอาชาติอย่าภาษามาแบ่งมาแยกแบ่งแยกไม่ได้ความรู้สึกตัวเป็นของทุกชีวิตหลวงพ่อเคยไปเทศ่ยที่ไต้หวันนามะอะไรก่อนอาจารย์ยู่อยู <c oughs> พอเที่ยจบแล้วเขาพิมพ์เป็น ที่ชีตแจกแจกแจกแกันแจกกรเทศหลวงพ่อพอดีเขาแจกมาห้องสมุดสวนโมกสวนโ ม, มกเนี่ยก็มีห้องสมุดนะอยู่ที่เมืองไตเป้ในห้องเขามีพระสวนโมกไปอยู่เต็มเผยแพร่ไอทั้งถือยานพุท ธ, ธาตพระที่อยู่เต็มเอามาอ่านเป็นภาษ า, ษาจีนก็มีเขารู้ภาษาจีนนะ ภาษาจีนไต้หวันเนี่ยต้องเรียนฟรีเลยไม่ต้องไปต้องเรียนเสียเงินเสียทองถ้าพระสหลงไหนอยากไปเรียนภาษาจีนไต้หวันก็ทําเรื่องขอวีซ่าขอพาสปอร์ตไปได้เขาสอนฟรีเรียนตีกันเขามาอ่านให้หลวงพ่อฟังพวกพระอสวนหมกที่อยู่ห้องสมุดนั่นโอ้หลวงพ่อ อโอ้ยงช่อของพ่อว่าเป็นพระหันเน <c oughs> ี่ยแต่เขา อ, อ่านเนี่ยอันตรายต่อหลวงพ่อนะหลวงพ่อยังเป็นนมอยูเนี่ยสามารถนั่งได้ยูเท่าไหร่ก็ไม่รู้5้าสิบปี <c oughs> แล้วยันยีแล้วเราไปกันส่วนยีที่เป็นร่ำไมห่หลวงพ่อ <c oughs> แล้วหลวงพ่อก็ไปบอกคณะปฏิบัติธรรมที่พิมพ์คิดออกมาว่าเนี่ย เขาท้วงหลวงพ่อเขาท้วงว่าอันนี้อันตรายพวกคุณยกย่องพ่อเป็นพระหันเลยผมพูดออกมาตามความรู้สึกของผมพวกผมรับผิดชอบหลวงพ่อไม่ต้องกลัวผมรับผิดชอบเองเดี๋ยวพระท่องส ม, มุดสอนโมโหให้อายุเจ็ดสิปีก่อนหลวงพ่อยึงพูดอย่างนี้นะไอ้เหี้มก็อดไม่ไดนะ้มันพูดมาตั้งสี่สิบปีแล้วมันเจ็ดที่ไปไงเกือบตายเราปีนี้เนาะไอ้โม มันรอดมาเนี่ยก็อยากพูดดังกันไม่นานไปรอให้เจตีพีเจ้าเขาพูดเรื่องนี้ไม่ได้หรอกขาพูดเลยอะไรที่เป็นความจริงความรู้สึกตัวความไม่มีทุกความไม่มีโทษ ท, ทุกคนทำได้ไม่ยกเว้นเลยจะไปบิดบังอะไรพูดเรื่องมรรคผลก็พูดไม่ได้ไม่ใช่ถ้าไม่พูดเรื่องมรรคผลจะไปพูดเรื่องอะไร พุทธศาสนาต้องมีมรรคมรรผลถ้าศาสนานี่ไม่มีมรรคผลไม่มีอะไรที่มันเด่นอย่างรัะความช่วยทำความดีทำกิจเทโพลิสุทธ์เนี่ยมีศาสนาพุทธเท่านั้นศาสนาอื่นก็ละความชั่วทำความดีสอนกันอยู่เป็นประจําแล้วแต่พุทธศาสนาเพิ่อมอีกกิจโพลิจุดจากที่เราสวดว่าเป็นโมงผู้นำํำพาเราสวด สัพปาปะชะกะนานังการไม่ทำบาปทั้งปวงอุจลโสปัรรมปทาการทำกุศลในถึงบอมเนี่ยการไม่ทำบาปคือทำความดีการทำกุศลใน้องคือละคือละขมชั่วการทำกิจให้บริรสุทธิ์สกิตะประโยชน์ทัพนังเป็นอันยอดเยี่ยมมากเรามาพูดถึงเรนนี้กัน เราจะมาฝึกเรื่นี้กันนะถ้าเราไม่บอกกันไม่พูดไปจะไม่บอกกันมันเป็นยังไงเป็นยังไงคนก็ไม่รู้พรอกว่าพพุทธเจ้าสอนไม่มีหนังสืออ่านมีแต่บอกกันมีแต่บอกกันมีแต่สอนกันนะถูกเขาด่าบ้างก็มีไม่เป็นไรถูกคนไม่เห็นด้วยก็มีบางทีเขาอ้างอ้างว่า เขาเป็นพราม์เขาเป็ น, อ, นอะไรต่างๆข้างเลยยืนประกาศตัวเลยพรพุทธเจ้าก็เราก็พรามณเหมือนกันพรามไม่ใช่การนองห่มผ้าไม่ใช่ตระกูลไม่ใช่วันนะพรามคือผู้คือผู้ลอยบาปเสียได้เรียกว่าพรามใครลอยบาปได้เลือกเพราะนั้นเป็นพราม พามก็งงหรือมันลอยบาปเรายังมีบาปจังเป็คโกรธอยู่ประกาศคอมเมนพามเนี่ยน่าอายนะะมาลอยบาปยังเป็นพามเขาว่าเราเป็นเทพนะเนี่ยเทพนะเนี่ยเขาประกาศเราเป็นเทพมาจากต้นจากนี้พ่าเจ้าเราก็เป็นเทพเหมือนกันเทพเป็นสามอย่างเทพเป็นสามภูมิ เทพหนึ่งก็รู้ว่าสมมุติตีเทพเทพโดยสมมุติเทพนหนึ่งอุบัติเทพเทพอุัติขึ้นในใจของคนเทพนหนึ่งบริสุทธิเทพคือพระอรหันต์ทั้งหลายพราเจ้าจอย่างเราเราก็เป็นเทพทั้งหมดเลยไม่ใช่คนได้มาจากเทพชั้นนั้นชั้นนี้อย่าง อย่างอะไรใช้ตัวคลามเทพตัวนึ่งเป็นเทพอันหนึ่งที่สมมุติขึ้นมาไม่ใช่บริสุทธิเทพเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นบริสุทธิ์เทพที่ชุดเลยเทพเพราะในํางานรักษาพระพุทธเจ้าต้องมารักษาศาสนาพวกสมมุติเทพมาช่วยพระพุทธเจ้าจัดาพระเจ้าประกาศศาสนาช่วยพระเจ้าอยู่ที่ไหนช่วยดูแลรักษา ทางบ้านอาถรรินิกฐาเศรษฐีมีเทพอยู่รักษาพ่อปู่บ้านหมายถึงคนดีที่ามาจ่างถนนเราก็เลยไปหาว่าเทพนี่ดีกว่าพระพุทธเจ้าแตนี้บางทีโตหมบูชานะ่ะไม่ใช่พระพุทธเจ้าอยู่เอาเอาหลงตาเอาหลงพ่อไปไหว้ไปไหว้บางทีไปสวดมนต์บ้านขมาเอาพระ พุทธลูกองหนึง่งเอาโต๊ะโมเอาแจากันเอาเชิงเทียนญายมก็เอาหลวงพ่อแหวนไปตั้งอ่าโต๊ะโมวางไว้เขาดูว่ามันถูกต้องไม่ถูกต้องต้องเป็นพระลูกพระพุทธเจ้าองเดียวท่านไม่ใช่หลวงพ่อแหวนไม่ใช่หลวงพ่อทวดไม่ใช่อะไรต่างๆ่างอะไรนะเนี่ยเราต้องช่วยกันให้มันชัดเจนอย่าเป็นชาวพุทธหลายใจ หนึ่งเดียวตท่นั้นคือสัจธรรมพุทธภาบะที่บริสุทธิ์ตื่นรูปเบิกบานแล้วก็ทำเป็นรูปขึ้นมาแจกกันไปเวลาแจกพระพุทธ ร, รูปน่ยคนมราณเราสมัยพระเจ้าคนลางพมแหงไม่มีหนังสือไม่มีกระดาษเอาเดินมาปั้นเราเผาแจกกันรูป น, นะพระพุทธ ร, รูปนะ ลูกพระพุทธเจ้านะเนี่ยเวลาถือไปพระพุทธเจ้าไม่โกรธนะไม่เบียดเบียนใครไ ม, นะไม่ทุกนะไม่ทําชั่วแล้วความชั่วทําวามดีแขนไว้ที่คอเราใดที่จะโกรธให้คิดถึงพระเขียนอยู่ง้อใจเนี่ยที่คิดถึงโอ้พระไม่โกรธพระทําชั่วไม่เป็นทําแต่ความดีจะได้ไม่โกรธจะไม่ทําชั่วคนโบราณเขาแกกพระ พระเจ้าแผ่นดินโครงการแจกไปแจกไปแจกไปให้เปพระพุทธศาสนาในหัวใจไม่ใช่พุทธศาสนาในรัฐธรรมเหมือนคนเรียกร้องตัวนันนี้ในหัวใจของคนมีพุทธศาสนานะเดี๋ยวนี้เขาแจกพระเขาแจกไงนะอะไระที่ว่ า, มาเมื่อกี้เนี่ยเอาเอาไป สักฉีดนะยิงไม่แหงแทไงไม่เข้าจริงแห้งแทงไม่เข้าคนก็เฮอบเขิลเมื่าตัวเลงได้ของดีไม่กลัวมีดกลัวปืนก็าตายกันไม่รู้แถวยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าดีมั้ยดีมั้ยดีมั้ ย, ย ถ, ถ้ายิงไม่เข้าเนี่ยฟันไม่เข้าดีไหมกุ้นก็ว่าดีมันกันแต่หลวงพ่อว่าไม่ดีนะ ถ้าเขายังยิงอยู่แสดงว่าคนนี้ยังเป็นคนชั่วยอยู่ถ้าเขายังมีดันอยู่แสดงว่าคนนี้ยังเป็นคนชั่วยอยู่เอาให้เขาไม่ได้ยิงหน่อให้เขายกมือไหว้โอ้ยให้เขาไม่ฆ่าไม่ยิงนะความดีนะความดีเพราะนั้นเนี่ยเอาอันนี้ป้องกันดีกว่าที่จะไปเขียนพระเอาไปเป็นเรื่องสักดิ์สิทธิ์นะไปกวนเลยทำความดีตายช่างหัวมันนะ หลวงพ่ออยู่ที่นี่อยู่คนเดียว <c oughs> แล้วมายิงเก้งยิงกวงป่องป่องก็งไปดูไปดูก็เห็นก็หลัดเหมือนยดยดแล้วก็เห็นหลวงพ่อก็วิ่งไปหลวงพ่อก็ตามดูว่าเป็นใครเขาก็เห็นหลวงพ่อตามไปตามไปตามไปหลวงพ่อจะกังกับบกปลานีนเชียงเหมือนกันคนนั่งดมอยู่นะลรีบๆทันทัน เกือบทันมันยิงปืนข้ามหัวไปเลยใบไม้คาตใเลยกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวเลยอ่าก็ตามไปตามไปบ้านมาอยู่ตรงแถวหนองวัดเน่ยเนที่ของเขาหนะ่าเขาปลูกป่ายอยู่้าใส่ะ้ะอะไรย้ายนีไปมันก็ขึ้นบ้านไปแล้วพอเห็นว่าโอ้ยเจ้าเนียก็บอกหลายคนว่า ยิงสัตว์ในป่าในวัดที่เป็นที่หวงห้ามต่อมาอีกนานเข้าก็มาทอดแห่ที่ผายเนี่ยตอนตอนเช้าเอา้าตอนเย็นเห็นพ่อตามาใส่ด่างหน้าผา mm hmm. ก็เลยว่าเอา้ามันมีแต่ครอบครัวเรานี่ไม่เห็นใครที่ไหนขอผายนะก็ตายไปแล้วก็วอบุญ บ้านอยู่กลบ้าให้อาศัยกันด้วยเจ้าเห็นลูกเขยตอนขําเห็นพ่อตามาหาจินอยู่แถวนี้ไม่ดีนะให้เพิ่งพาอาศัยก็หาว่าหลวงพ่อปิฉ า, วากว่าครอบครัวเราคนเดียวคนอื่นหาจินเยอะแยะทําทำไมว่าเขาหลวงพ่อก็บอกเอา้าหลวงพ่อไม่เห็นเห็น ลูกเขยพ่อบุณเห็นพ่อปุณเนี้ยมาอยู่เนี้ย ต, ต, ตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็เห็นมายิงเ้ยงในบัดด้วยพอปุณก็กรเข้าไปในบ้านด่าแล้วก็โกรธไหมไม่ได้กรธเดีลูกเขยก็มาแล้วบ้าหลวงพ่ออยู่คนเดียวกําลังอ่าต่อโต๊ะอยู่เขาขัดพิษมาเวลาไก่เตี้ยๆนะเพียงมะเขเืยหลวงพ่อก็นั่งเขาก็ไปยืนอยู่ขัดพิษ าอาจจะมีพื้นด้วยก็ไ <c> ด <oughs> <c oughs> ้เออมาชีหลวงพ่อว่าอะไรมือเจ้านี่ยว่าอะไรละ่ะหลวงพ่อว่าครอบครัวเราหากินอยู่ในวันเนี่ยคนเดินหาจินทำไมว่ากัาเอ้ามูาเจ้าหลวงพ่อเห็นคนเนี่ยมายิงมาทอดแหย่หน้าฝายเนี่ยตอนเย็นนั้นพระบุญมาใสาดังอยู่เนี่ยให้หลวงพ่อว่าไงหลวงพ่อก็เดินลงไปหาน หรือไม่กวัวช่ไหกวน่กวนึรมาตาช่เงาเหมันนะเพราะว่าเราก็ก็บอกเก้รักษาไว้มาก็นั่งลงหลวงพ่อไม่ได้อิจฉานะดูดีๆยิดดีๆก็บอกกันดีเนี่ยช่วยกันเถอพวกเราเนี่ยใช่ไหมเพราะเรายังพยายามทวีทาง จนมาถึงอยากพัฒนาวัดเลาให้เป็นที่อยู่ของพวกเราสองสามปีผ่านมาเนี่ยพวกเรามีเพื่อนดีๆมาอยู่โป่ป่ากันสองข้างทางเป็นดอกคุณอีกสอง้าสมปีนะเวลาเดือนมีนาเมษาเรามาสุขโตดูเจจะมีดอกคุณสองข้างทางเหลืองอลาตอนรับเราอะ เอาให้เป็นบางสวนเลยไหมมือห้านี่หมดเลยนะมาช่วยกันนะเดี๋ยวนี้ก็ส อ, องก็ปลกป่ากันนะปลกป่ากันยังมีต้นลำดวนอยู่เอามันหอมไปทางวัดได้ไหนะอเ อ, อ่อเากนน่าก็ลกปลูกถึงโคนถึงโมมน้นแล้วปลูกทา ง, ทางไปลดวนกิดนลำดว น, น, น, ดวนเคยเคยได้กินน่นลำดวนไหม นี่แต่เขาลองแพงหอมกินลําดวนเลยเอาไว้สุกโตของเราเนี่ยหอมน ะ, นะเดี๋ยวนี้ยังมีอหลวงพ่อเดินดูนเนี่ยรอบหินโคนน้งไหนยังมีที่ลําดวนไปลงได้รอบป่าก็มีลําดวนไปลงได้ใครอยากจะมาปลูกจะมาเล่นปลูกป่าได้ลําดวนอยู่กติหลวงพ่อยังเป็นร้อยๆพันๆใครจะปลูกก็ได้รอบบริเวณหินก้นลําดวนเนี่ย มันขึ้นได้ในร่มมันเกิดต้นต่ใบตัวดอกมันขึ้นเป็นอยู่ใต้พุ่มไม้ใหญ่ๆได้แต่มันออกดอ ก, ดอกหอมเวลาพรนั่งสอนธรรมะเวลาเราไปเดินของเวลาปฏิบัติเราเป็นยาด้วยดอกลำดวนดอกอ๋เพอเนี่ยลราพ่อปลูกไว้ในแถวกิจฉนาแถว่บุนนาคลำดวนบนนาคบนนาคเนี่ย ถ้าใครเป็นโรคความดันสูงความดันต่นเอาไม่ต้องไปเอามามันหอมขึ้นมานั่งอยู่เนี่ยสูตรเอากลิ่นหอมของบนหน้าเความดันต่ำความดันสูงใช่ไหมได้เรียนจากคนไฟมันจะหายนะอมันจะหายเออนี่ยให้มันไปนบางสวรรค์เป็นมางนิพพานด้วยมือของเราผมหมดปัญญาแล้วสี่สิบปีแล้ว หมดเดี่ยวหมดแรงมีแต่นหนักหนักนะสี่สิบปีที่บวดบางเนี่ยไม่ได้อยู่เฉยหรอกอสร้างพุทธยานสำเร็จวัดโมกสำเร็จสนามในสำเร็จคนไปอยู่หลังสบายเลยสนามในเนี่ยไม่ต้องบวดนะหาบหินคืนและลดเลยหลกงพ่ อ, อไม่นอนกัางคืนนะ มันมีที่ร่วมน้ำขังนะถางถังจากต้นอโศกไปหาต้นยิวเนี่ยวันแค่นี้แค่มองเนี่ยต้นหวายต้นยาวโอ้ยลงๆ ง, ง, ง, งทั้งงูทั้งอะไรเยอะแยะไปเลยเป็นขังน้ำซื้อดินทรายมามาลงข้างรถไฟกลางกลางวันนี่ไม่กล้าหาบตายชาวบ้านกลางคืนพอท้องวัดเจ็บเอาละบางทีพระเขาช่วย อู้กโพอสมควรมาอยู่นี่ยิ่สิบลําบากที่จุดเลยสร้างนะเอาหมดเรื่องมดแรงนะสามบาทเนี่ยช่วยหมดแลวหมดปัญญาเลยไหมหมดเลยเด็กขอเราช่วงปลายชีวิตมั่นปลายมาแน่มีเพื่อนดีดียมก็ดีมาช่วยกันนะเอาให้มันเป็นเมืองสวรรค์เป็นเมืองในพราน ใครที่มีทุกข์มาอยู่ที่ให้มันหายไปหลวงพ่อเคยช่วยคนพูดถึงเขาฟังว่าคนมาอยู่นี้บ้านของคนคุณจะนอนก็ไม่เป็นไรนะจะปฏิบัติก็ไม่เป็นไรเวลาจะกินให้ไปกินตรงนั้นยิ้มแล้วมาอยู่ตรงนี้จะนอนจะปฏิบัติยังไงก็ได้ขออย่ามีทุกข์ เรื่องกกก่อเท่งแบบอยู่สบายเลยนะไม่มีใครมาบังคับกับไสเ้าให้คนอยู่สบายสบายนะก็บอกเขาเขาก็บอกเขาให้เขาอยู่สบายสบายที่กินข้าวก็มีที่นอนก็มีจะฟังเทศฟังธรรมมาได้สลาไก่นะแต่ก่อนไม่จะลาไก่นะกนนจะลาหลังนี้ก็อยู่บนเขา ไม่ค่อยได้ใช้พอดีคณะโรงพยาบาลใจพวงคนหมอปทเทืองหมดเนี่ยโรงพยาบาลบุรีรัมมาทอดผ้าป่าทอดกระถินพอเป็นงทองก็ย่อยลงมาลงมาดีไม่บอกใครนะไม่บอกพระบอกสงฆ์เลยมาพูดกับชาวบ้านจะย้ายสาราหอไใจลงมานี่ได้ไหม เขาบอกว่ายายได้คุญแจเท่าไหร่เอาสามหมื่นเอาสี่หมื่นจะให้เั็นเร็วๆนะยายคนมาเห็นนะไวที่สุดนะเราก็ไอ้สี่หมื่นเลยไ่ต้องเอาสามหมื่นบาแต่ย่าเนีเหมือนเก่านะเขาลงมาโอ้ยแป๊บเดียวบานนี้ไม่เดาเพราะ้องบาลชายัยมเพราะบุญดเอาเงินมาให้ใช่หมดเลยสำเร็จทีนี่อาจารตุ้มมต่อไป เทก็พอใช้แล้วบ้านเนระอันนี้โค้ดต้องเล่าเล่นเดือนปีนี้เราก็มีบัณฑิตอาจารย์หาสมเด็จนะถือว่าเป็นบัณฑิตพ่หนึ่งนะประยู่์ขอเราทางโลกก็จบประเรียนสี่ปีหรือห้าประโยชทางธรรมก็ทา ง, ท ง, ทางเออทางโลกจบรัฐศาสตร์จากทางลศาสตร์ทางธรรมก็จบปะเรียนสี่ปห้าเป็นทนายความอยู่หลายปีทั้งหมวดนี้ก็ได้หลายปีแล้ว ถ้าพูดภาษาพูดเนี่ยพูดประชาสัมพันเนี่ยได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยพูดไวพูดชัดเจนพูดภาษาอ่แต่เราไมลไม่รู้อะไรแต่พูดเ้าพูดเราน่าจะให้มหาสมเด็จพูดบ้างออ้าวัสดีกระบอกเลอาจารย์โตโยเกะว่ายพระ